สิบนาทีต่อไปนี้นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. มอบให้ 80 ธันวาคม 2550 รวมพลังไทยพลัง ร่วมเทิดทายองค์ราชันหมอกสลายที่ปลายฟ้า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 หมอกสลายที่ปลายฟ้าตอนที่ 29 ความเดิมตอนที่แล้วเดิมตอนที่แล้วกําจรถูก นันทิกาได้รับการพิจารณาเข้าร่วมในโครงการ จากคณะ ไฮเราตามตัวได้หรือยังครับเนี่ยตอนนี้เรากําลังตาม แม่ครูใหญ่กับคุ้งหมอช่วยไปกินจูกิมจูต่อเถอะ ทำไมเรา กินจะมองเห็นได้ยังไงไว้ตลอดเวลานี่คะอ้อยลืมตัวไปหน่อยค่ะมองเห็นได้ยังไง นอกจากว่าจะอ้อมไปทางหลังตลาดนะอุ๊ยก็ มานี่ขึ้นมาเดี๋ยวนี้ๆนะ คุณคุณจิมโตลูกสาวเสียเกวเลยค่ะพวกเอ็งไม่ใครเห็นกัน ไม่ได้ผ่านมาทั้งด้านหน้าตลาดหรือหลัง ช่วยๆกันหน่อยนะคะนึกซะว่าไป พวกเรารีบไปหากันดีกว่าแล้วเออ กิมจูไม่ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาแขแกจะรีบโทรบอกทันที คงไม้ม้างคุณนี้ที่บ้านของเธอตอนนี้ แต่ถึงวันศุกร์เย็นที่ไรเป็น ห้องโรงไม้ที่เคยมีคนงานพลุกพล่านก็ปิดค่ะจิวเงียบเหมือนไม่มีใครอยู่เลยเอ๊ะเหมือนประตูจะแง้มนั่น ประตูเปิดเหมือนฮะฮะคุณคิมจูโอ้มาอยู่นี่เองเหรอคะทุกคน นี่สิทําไมคุณคล้อยวัยไม่เป็นขอบคุณขอบคุณ ฉันพออยู่ที่นี่ได้พออยู่ที่นี่ได้ถึงยังไงที่นี่ชอบ ประสบการณ์ทําให้คนเข้มแข็งหรือแข็งแก่งขึ้นได้ค่ะให้ขอเวลาจัดบ้านให้เรียบร้อยเข้มแข็งรับรองค่ะแข็งๆ เล่าแล้วกลับมาเรียนจะรู้เรื่องหรอเชื่อดิเดี๋ยวก็กลับไปใช้อีกลบเถอะครับ เดี๋ยวตอนบ่ายๆเย็นๆน่ะแม่จะแวะไปแต่ที่ อาจจะไม่ต้องการการประคับประคองจากเราแล้วด้วยซ้ํา ก็ไปเข้าครัวทําอะไรผมกินน่ะสิหิวแทบจะ ก็แต่ไอ้เสือก็เพราก็จะ เพลินมาหาของนายใช่ไหมกับคุณหมอเพื่อจะบอกข่าวดี ตายงั้นต้องเลี้ยงฉลองกันแล้วล่ะสิเอ่อแต่ตอนเนี้ยนะ <c oughs> ขอบคุณแหละเลยล่ะคุณยายดีใจแล้วก็มีความสุขมีจ้ะ คนช่วยกันและร่วมกันทําให้หมู่บ้าน Nước mặt hà, chä dò phé lũa. Thương cha kẹ, khai. ต่อไปนี้เวทีประชาคมของเราจะมีการประชุมทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้งค่ะเวทีประชาคม 7 ของทุกเดือนที่ศาลาประชาคมเดิมมาเป็นคณะ ยกมือมีความเห็นอะไรเหรอคะมีความเห็น ยายๆให้มามากรรมนะแต่ เลขทําได้ดีเออใช่แต่มันควร ไม่ว่าจะเป็นประธานคณะ ละกับทุ่มเทกายและใจทํางานที่บ้านปลายฟ้าของ เนื่องจากโรงเด็กๆ รณรงค์ใจให้อภัยให้บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนผู้เลิกยาเสพติดถ้า ผู้แสดงบีรังต่อไปนี้อาทรภาธิพัฒนะสินดาเกษรีเปรมกมลโชติกาเสถียรธีระบุญญฤทธิ์วรการ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนทฐานอาสาควบคุมเสียง